ปาจิตติมุสาวาทวัคสิกขาบทที่หว่าอันหนึ่งภิกษุได้สำเร็จการนอนร่วมกับอนุปสัมบันิยิ่งกว่าสองถึงสมคืนเป็นปาจิตตีอนุปสัมบันิในที่นี้หมายเอาผู้ชายซึ่งไม่ใช่ภิกษุการนอนร่วมนั้นหมายความอย่างไรนอนในเครื่องลาดอันเดียวกันหรือนอนในห้องเดียวกัน สนนิฐานตามความนิทานคือเหตุที่มาเรื่องต้นบัญญัติอันกล่าวว่าทรงบัญญัติเพื่อจะกันชาวบ้านไม่เห็นกิริยานอนหลับของภิกษุอันจะแสดงท่าทางวิปลาสผิดจากอาการของผู้สังวรอันไม่เป็นเครื่องเจริญใจของผู้ได้เห็นการนอนร่วมกันนั้นกำหนดด้วยนอนในที่ลายเห็นกันได้ในเวลาหลับ ในคัมภีร์วิพังท่านแจกที่นอนไว้คือที่อันมุงทั้งหมดบางทั้งหมดลาที่อันมุงโดยมากบางโดยมากมีได้แก่เรือนอันมีหลังคาและฝากัน้นตามอัถกถาถ้ามีอุปจาระคือทางเข้าทางออกอันเดียวกันแม้จะเป็นเรือนกี่ชั้นก็ตามกี่ห้องก็ตามชื่อว่าที่นอนเป็นอันเดียวกัน คือตามในย่าของพระอัฏฐกถาจารนั้นครั้งคนทำเย่าเรือนยังไม่ใหญ่โตก็ไม่เป็นอะไรในเวลาที่คนทำเรือนหลังเดียวใหญ่โตทำเชื่อมเรือนหลายหลังให้เดินถึงกันถือตามในย่านั้นอยู่ข้างไม่สะดวกที่พ้นวิสัยของภิกษุจะป้องกันได้ก็มีข้าพเจ้าพอใจจะกาหนดเขตการนอนร่วม พอให้สมกับความมุ่งหมายเดิมของการบัญญัติสิกขาบทดังกล่าวแล้วนั้นคือในเรือนมีหลายชั้นมีหลายห้องเป็นที่อยู่ของคนมากกาหนดเอาเฉพาะส่วนเป็นที่อยู่เป็นที่นอนของบุคคลคนหนึ่งคนหนึ่งเป็นเขตแห่งสหัสัยคือเขตแห่งการนอนร่วมกันอันหนึ่งอันหนึ่งเทียบตามเขตไม่อยู่ปราดตรจีวรที่กาหนดด้วยเรือนของต่างสกุล ให้ถือเอาห้องที่อยู่ของสกุลหนึ่งสกุลหนึ่งเป็นเขตอาการที่นอนร่วมนั้นคือเหยียดกายอยู่พร้อมกันใครเหยียดก่อนใครเหยียดหลังหรือเหยียดพร้อมกันไม่เป็นประมาณสุดต่เหยียดร่วมกันเข้าเรียกว่านอนร่วมจะหลับหรือไม่หลับไม่นับในที่นี้เมื่อมีพระพุท ธ, ธานุญาต ให้นอนร่วมกับอนุปสัมบันได้สองถึงสามคืนเพ ร, ราะปรารบสา ม, มเณรซึ่งเข้าใจว่าเกิดมีเมื่อภายหลังผลที่มุ่งหมายแห่งพระบัญญัติก็ไม่สำเร็จจริงกลายเป็นพิธีไปเมื่อกำหนดสามคืนเป็นเขตแล้วคำว่าสองคืนในสิกขาบทไม่มีประโยชน์ไม่ให้สำเร็จความเข้าใจว่าอย่างไรเป็นสับเกินก็ไม่ใช่ เพราะในที่อื่นก็มีหรือคำว่าเช่นวาจาห6คํากคำก็มีต้องเข้าใจว่าเป็นความนิยมของภาษาเองพูดสำหรับให้เกลี้ยงกลา่าเพราะการนอนกำหนดด้วยราตรีนอนร่วมในกลางวันท่านจึงไม่นับและกำหนดว่าล่วงราตรีนั้นนับเอาเป็นอรุณขึ้น เหมือนในสิกขาบททั้งหลายอื่นนอนมาเท่าไรก็ตามจนเวลาอารุณลุกขึ้นเสียนับว่านอนร่วมไม่ได้เป็นประเพณีที่ถือกันมาว่าภิกษุกับอนุปัสมบันเหยียดกายร่วมกันในเขตสหสัยเดียวกันผ่านเวลาอารุณขึ้นกี่ครั้งนับว่านอนร่วมเท่านั้นคืน นอนร่วมได้สองคืนแล้วในคืนที่สามให้พรากกันเสียหรือให้ลุกขึ้นเสื้อฝ่ายหนึ่งก่อนเวลาอารุณขึ้นเมื่อได้ทำอย่างนั้นแล้วหากราตรีที่นอนร่วมลงได้หมดนับตั้งหนึ่งไปใหม่ถ้านอนร่วมล่วงสามคืนแล้วในคืนที่สี่ตั้งแต่ตะ ว, วันตกแล้วไปเหยียดกายร่วมกันไม่ได้แม้ขนาดหนึ่ง ถ้านอนร่วมกันลงต้องปาจิตตีนับเท่าประโยคที่นอนร่วมลงกำหนดด้วยลูกขึ้นของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคราวๆอาบัตในสิกขาบทนี้เป็นอาจิตตกะคือแม้ไม่จงใจทำก็เป็นอาบัตแม้นับดาตรีพลาดก็ไม่พ้น สถานที่มุงกึ่งบางกึง่งท่านว่าเป็นเขตแห่งอาบัตทุกกฏตัวอย่างเช่นไรยังนึกไม่ออกสถานที่มุงหมดแต่ไม่ได้บังเลยเช่นศาลาโถงก็ดีสถานที่บางหมดแต่ไม่ได้มุงเลยเช่นข้อก็ดีสถานที่โดยมากแต่ไม่ได้บังโดยมากเช่นศาลาโถงนั้นอันมุงไว้ไม่หมดและกันฝาไว้ โดยเอกเทศไม่ถึงครึ่งไม่จัดเป็นเขตสหาสัยนอนด้วยกันในที่นั้นไม่เป็นอาบัตขอผู้ศึกษาวินัยจงเห็นเถิดว่าการถือสิกขาบทนี้ปลายมาเพียงไรจนไม่สำเร็จความมุ่งหมายเดิมตกเป็นสักว่าธรรมเนียมเสียแล้วคงให้สำเร็จประโยชน์อยู่อย่างเดียวแต่เพียงให้ตื่นเช้าไม่ควรถือเอารมเนียมนี้ เป็นเครื่องคมภิกษูอื่นผู้ประพฤติบวกพร่องในสิกขาบทนี้เพราะถืออย่างไรก็ตามผลย่อมไม่แปล ก, กันอันที่จริงควรจะถือให้เป็นประโยชน์จริงๆสักอย่างคืออย่านอนร่วมในห้องเดียวกันกับสามเณรหรือสิทธิ์ในเมื่อมีช่องที่จะหลบหลีกได้ถือได้เพียงเท่านี้ก็ดีหนักหนา ปาจิตติมุสาวาทวัคสิกขาบทที่หกว่าอันหนึ่งภิกษุใดสำเร็จการนอนร่วมกับมาตุคามเป็นปาจิตติมาตุคามในที่นี้หมายเอาหญิงมนุษย์แม้เกิดในวันนั้นอธิบายทั้งปวงพึงรู้ด้วยในยักอันกล่าวแล้วในสิกขาบทก่อนแปลกแต่ในสิกขาบทนี้เป็นอาบัตตตั้งแต่คืนต้น พอตะวันตกแล้วเหยียดกายร่วมกันก็ต้องอาบัดบรรดและสัตยิรชานตัวเมียท่านกล่าวว่าเป็นวัตถุแห่งอาบัดทุกกฎดิรชานตัวเมียนั้นจำพวกมีทวานใหญ่พอจะเสพเมทุนได้ถ้าหมายเฉพาะทะวันหนักทวานเบาก็ฟังได้ถ้าหมายถึงปากอยู่ข้างจะมากความ พาให้รังเกียจกันมาจนตุกแกอยู่ข้างจะหน้าหูเราะปาจิตตีมุสาวาทวักสิกขาบทที่เจ็ดว่าอันหนึ่งภิกษุใดแสดงธรรมแก่มาตุคามยิ่งกว่าห้าถึงหคำเว้นไว้แต่บุรุษผู้รู้เดียงสามีอยู่เป็นปาจิตตี มาตุกคามในที่นี้หมายเอาหญิงมนุษย์ผู้รู้เดียงสาปาจิตตีมุสาวาทวักสิกขาบทที่แดว่าอันหนึ่งภิกษุใดบอกอุตริมนุษธรรมของตนเพราะมีจริงแก่อนุปสัมบันคือมีจริงแล้วบอกเป็นปาจิตตี ปาจิตติมุสาวาทวักสิกขาบทที่9ก้าว่าอันหนึ่งภิกษุใดบอกอาบัตชั่วหยาบของภิกษุแก่อนุปสัมบันเว้นไว้แต่ภิกษุได้รับสมมุติเป็นปาจิตตีอาบัตชั่วหยาบนั้นในคำพีวิพังแก้ว่าปา ร, ราชิกสีและสังฆาทิเศสิบสามแต่ในอัฏฐกะถาว่าในสิกขาบทนี้ ไม่เอาสังฆาทิเศษอย่างเดียวแต่ท่านยอมไว้แล้วว่าบุคคลต้องประราชิกภิกษุสำคัญว่าบริสุทธิ์ด่าว่าต้องปาราจิตติโดยโอมาสวาทศิขาบทภิกษุบอกอาบัติปา ร, ราชิกของบุคคลนั้นน่าจะต้องปาราจิตติด้วยศิขาบทนี้แต่ท่านยังถือคำของพระอัฏฐกถาจาร์เดิมเป็นประมาณ อ้างว่าเป็นผู้รู้พระพุท ธ, ธาธิบายพึงรู้ความมุ่งหมายแห่งสิกขาบทนี้ว่าทรงบัญญัติไว้เพื่อจะห้ามไม่ให้ภิกษุเอาความเสียหายของกันไปประจานหากว่ารูปหนึ่งรู้ว่าอีกรูปหนึ่งต้องประราชิกไม่ตักเตือนเจ้าตัวเองหรือไม่โจทย์ขึ้นในสงฆ์ตามธรรมเนียมเอาไปบอกแก่อนุปสัสมบัติด้วยปรารถนาจะค่อนขอด จะปล่อยให้รอดไปจากสิกขาบทนี้เถยวหรือข้าพเจ้าเห็นไม่พ้นเพราะเหตุ น, นั้นเห็นว่าคําในคาพีวิพังกล่าวไว้กว้างดีแล้วแต่เพื่อจะแก้ความดื้อด้านของภิกษุบางรูปได้ทรงอนุญาตให้ทรงสมมุติภิกษุใช้ให้ไปบอกได้สมมุตินั้นกำหนดอาบัติ ก, ก็ก ม, มีกำหนดสกุลก็มีไม่กาหนดก็มี ภิกษุผู้สมมุติอย่างใดต้องบอกอย่างนั้นทำนอกทำเนื้อไปต้องปาจิตตีเหมือนกันไม่ต้องกล่าวถึงภิกษุผู้ไม่ได้รับสมมุติบอกอาบัตไม่ชั่วหยาบต้องทุกกดปาจิตตีมุสาวาทวัก สิกขาบทที่สิบว่าอันหนึ่งภิกษุใดขุดก็ดีให้ขุดก็ดีซึ่งปัตตพีเป็นปาจิตติในคำพีวิพังแจกปัตตพีเป็นสองปัตตพีแท้เรียกว่าชาตะปัตตพีปัตตพีไม่แท้เรียกอชาตตาปัตตพี ปัตภีแท้นั้นคือมีดินร่วนล้วนมีดินเหนียวล้วนหรือมีของอื่นเช่นหินกรวดกระเบื้องแร่และทรายน้อยมีดินร่วนดินเหนียวมากดินนี้ประสงค์เอาที่ยังไม่ได้เผาไฟกองดินร่วนก็ดีกองดินเหนียวก็ดีที่ฝนตกรดเกินสีเดือนมาแล้วนับเข้าในปัตตภีแท้เหมือนกัน ปัตีไม่แท้นั้นเป็นหินเป็นกรวดเป็นกระเบื้องเป็นแร่เป็นทรายล้วนหรือมีดินร่วนดินเหนียวน้อยเป็นของอื่นมากดินที่ไฟเผาแล้วเป็นปัตภีไม่แท่กองดินร่วนก็ดีกองดินเหนียวก็ดีอันฝนตกรถยังหย่อนกว่าสี่เดือนนับเข้าในปัตถภีไม่แท้ สิกขาบทนี้ไม่มีอะไรบ่งชัดน่าจะเป็นอาจิตตกัคือแม้ไม่จงใจทาก็ต้องอาบัตแต่ท่านกล่าวว่าอาบัตเป็นสจิตตะกัจะลงเอาว่าภิกษุเดินไปไม่ตั้งใจแค่ทำดินให้เป็นรอยไม่เป็นอาบัตกระมังสั์ว่าขุดบ่งความอยู่แล้วว่าทำเช่นไร เดินไปเหยียบดินที่อ่อนหว๋มเป็นรอยเท้าไม่เรียกว่าขุดภิกษุขุดเองก็ดีใช้ให้เขาขุดก็ดีซึ่งปัตตภีแท้แม้จะสำคัญว่ามีใช่ดูเหมือนไม่มีคำอะไรในสิกขาบทจะยกขึ้นเป็นเครื่องแก้ตัวผู้แสดงความประสงค์ให้เขารู้แต่ไม่ใช่เป็นคำใช้ให้ทำ ท่านว่าไม่เป็นอาบัติสิกขาบทนี้ทรงบัญญัติขึ้นตามความเข้าใจในสมัยหนึ่งว่าปัตตภีเป็นของมีอินทรีย์ไม่จำเป็นต้องพิธีพิถันทำอย่างไรท่านว่าไม่เป็นอาบัติก็เป็นอันใช้ได้